ทั้งทำเงินด้หลวง <c oughs> พ่อเป็นผู้พูดส่หนังหลายเป็นผู้ฟังเพียเวอร์นายต่อคำสั่งสอนจากทขี้เกียจทำตามไม่เจริญผู้หวังความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของตนจะให้สิ่งเหล่านี้มาจำ้ำขีได้ เพราะการปฏิบัติเนี่ยม่มีสิ่งที่ขวางกั้นหลายอย่างภูเขาโลกแรกก็คือนที่วันและรรมขวา ง, อง่องหงาหนอนทุกคนต้องเจอภูเขาโลกนี้ความลังเลสงสัยทุกคนก็ต้องประสบเหมือนกัน อเอาตัวเองเข้าไปวัดชอบใจไม่ชอบใจเรียกว่าลังเลยอะไรถูกอะไรผิดนี่ก็เป็นภูเขาอันหนึ่งจิตใจพุง้งซ้านไม่อยู่เป็นที่เป็นทางยิ่ยงไปข้างหน้ายิ่ยงใจข้างหลัง ให้อยู่กับมือมันก็ไม่อยู่ไปกับอะไรหลายอย่างกับตากับนี้ก็บจมูกกับเลื่องกับสายกับใจลื่นไปแล้วก็มีสิ่งที่ลอยลอยลอยในใจลอยเผยในใจไ ป, ไปซับไปซึมอะไรมา สี่สิปีมันก็จ ะ, จะแสดงออกมาเป็นส่วนมยินดีเป็นส่วนมยินได้เป็นส่วนมรักเป็นความชังแล้วก็พยาบาทบางทีก็เกิดพยาบาทขึ้นมาคิดไม่ดีต่อตัวเองคิดไปดีต่อคนอื่นสื่งอื่นวัตถุอื่น เห็นหมดก็พยาบาตรมดเห็นยุงก็พยายาบาติยุงแม้จะยินเสียงรถก็พยาบาตรเสียงรถเจ้าหม่หลว่ก อ, อยู่มวอเลยปฏิบัติธรรมทั้นแรกมีพระรูปหนึ่งเกิดพยาบาตรอากรุนแลงวัดป่าพุทธยาว น, นี้มันอยู่ติดกับทางรถโยน์เมืองเลยเขียงคานแล้วก็อยู่ที่สูง เป็นมอเวลรถเร่งมามันขาขึ้นมันก็ดังลุดดังมามันออกแลงเช่นมอพระโลภนั้นเวลารถเร่งมาโคบรถปัดหัวไว้ปิดหัวไว้บางทีก็ทางทั้งที่ตัวเองก็อยู่ไกลทางรถขอชึงก่อนดังพว่เอาค้อนดิน ข่วงเข้าป่าไปทางรถกันดึงหลวงพ่อไปเห็นเขา้าก็ชวนพูดชวนฟืนวันนี้มันเป็นพยาบาททนไงใจไม่ค่อยดีไม้ใช่างามกามราฆะปักไฝ่ในรูปในรถในกลิ่นในเสียง ตาก็เป็นการามหมูก็เป็นการามจมูกเิ่งกายใจรูปรถกลิ่นเสียงต่างๆก็เยอทยานหยาบทางใจท้องมาที่หแล้วแต่ว่าใจมันเขยอทะยานไปเรื่อนู่นเรืเ่อนี่นี่เป็นภูเขาวขวาขั้นจิตให้บรรลุนามความดีของนักปฏิบัติ ไม่มีใครที่ไม่ประสบพบเห็นผูเขาลูกนี้พระพุทธเจ้าเห็นก่อนหมู่เพระองค์ไปเห็นแล้วเดีมาตัดตวาย ว, ว่าผูเขาวันขวั่นขั้นอิดไม่บรรลุนามความดีคือจริงดเลนี้ถ้ามันเกิดขึ้นเจอเราบางทีเราก็หาเราร่วมช่วย สิ่งที่เสริมช่วยต้องเกิดภัยบาตรแต่สร้างความเมตตากรนะุณาให้อภัยให้อภัยมีสติคิดอย่างนี้ดีๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีอะไรที่ทําให้เรายินดีไม่มีอะไรที่ทำใ ห, เ ร, รำใหเรายินได้ใจข้งเราก็ กลบขึ้มามีความรู้จึกตัวซะจริงเรานั่นจะพาให้เราได้สติปัญญาด้วยผัวมั่วอ้อนก็เป็นสติปัญญาความเล่ยสงสัยก็เป็นสติปัญญาหยิ่ใจปุ้งซ่านก็เป็นสติปัญญาพยาบาทก็เป็นสติปัญญาสามมลาคะก็เป็นสติปัญญาไม่ใช่เป็น ทำที่ขวงกันเหตเห็นจริง เ, เหล่านี้เดฉลาดขึ้นเช่นเห็นพวกง่วงเกิดขึ้นแทนที่เราจะต้องไปสู้กับพวกง่วงเราก็ไม่ชอบมันทำไมง่วงไปคิดไม่ชอบพวกง่วงไปสู้กับพวกง่วงแทนที่จะดูเห็นมาง่วงโอพวกง่วงเป็นตัวหนึ่งนะ อันตัวลู่เจือตัวเป็นตัวหนึ่งวิธีใดเที่ยมจะลู่เจือตัวถ้าเราสร้างจังหวะมันอาจจะไม่พอกับผมง่วงผมง่วงมันแรงมันครอบมำ น, นั่งสับพงโงกอยู่นั่นแหละวันที่สร้างจังหวะไปนั่งสับพงโงกเพิ่เขิ่นไปลุกเดินซัเอามือรวบหน้ารวบตาเอามือรูบไปตามตัว มองไปทางทิศทั้งสิ่ทำโกงรู้สึกว่าทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกทำโกงรู้สึกว่าเวลานี้เป็นกลางวันไม่ใช่เวลานอนเป็นเวลาที่ปลารุกควมเพียนแลบอกเตืเอนไอู้้เรอว่างก็ตื่นขึ้นมาปกเตืเอให้ตื่นถ้าจะสร้างจังหวะ ก, ก็ทำแรงเดิน เดินจงกมก็เดินไปไวบางทีมันข้องำขณะเดินจงกมอยู่ก็มีนะบางทีเคยเห็นพระบางโลกเดินจงกมหลับมาพูดให้หลวงพวอง่อฟังมาเดินไปข้างหน้าคนคนหนึ่งก็ยืนอยู่จะไม่แทงหน้าแทงตาก็กลับมา มาทางนี้คนหนึ่งเขามายืนอยู่ทางนี้เอาไม้แทงตาอีกอก็เลยกลับไปกลับมาไปไม่ถึงโน่นก็กลับมาเขาจะไม่แทงต า, าที่เดินไปเดินมาก็าคนสองคนอยู่ข้างหน้าข้างหลังเข้ามาเอาไม้มาสอดเข้าหวางขาเขาก็ยกขึ้น หาก็วีดินก็เสยลงไปทานไปนั่งก่อนก็เลยตื่นขึ้นมาโอ้ฟันนี่เลยฟันนี่แหะครับครับโอ้ตาเปน็นยางไนก็ก็ก็ดีนะจะได้เห็นนั่นโอ้ฟันนี้ออนนะทำมันฟันนี่เนาะมันไม่ใช่ เ, เพื่อนเราพอเกิดขึงก็ก็ดูคนลงมงุมผวมลู่สุกตัวหนึ่งขวมงออันหนึ่งหาวิธีนะ เราร่วมเอาอย่างพระอรียะบุคคลเอาอย่างพระพุทธเจ้าโอ้ยพระพุทธเจ้าเห็นแบบนี้ภัวจาณเราเห็นแบบนี้เพื่อนนักปฏิบัติก็เห็นแบบนี้ <c oughs> เหมือนกันหมดก็เป็นเรื่องสนุกไปในการปฏิบัติมีเยอะแยะสร้งหน้าสร้งหลังขอบเปลือกขวาหน้าผมตา ตัดหน้าตัดหลังอะไรต่างๆที่มันจะทำให้เราลงาก็จะเรียกว่ามารก็ได้ที่พระพุทธเจ้าปชนมารในพระพุทธรูปฟางสะดุ้งมานนั่งอยูเ่เหนรองนั่งแต่ก่อนก็มือไววอะีรพอคชิบว่ามือมา ลู่จิตตัวสะดุกมันคิดอะไรคิดถึงเินทาราหุนเหลอมันคิดถึงพระราชสมบัติมันคิดถึงสนมปวามาันมามันถึงคิดถึงประชาชนเราดูไม่ใช่ครับ ห, าาหลายปีองครัวตายนั่งอยู่ในป่าคนเดียวที่บุมที่บั ง, บง ม, มันมีนั่งอยู่ใต้ต้นสีมหาโพธิ์ ฝนตก ก, ก, ก็ถแดดออกก็ถกบาทีงูอาจจะเลื่อยมาก็กลัวตายกลัวเจ็บไข้ได้ปวยมาชิดไปคนอยู่ประสาทสามฤดูเนี่ยไปนั่งอยู่ใต้ต้นโพนี่มันย่อมเปรียบเทียบมีความรู้สึกยังชิดไปแล้วกลับมาทีนี้ไม่ใช่คิดถึงประสาทสามฤดูเรามาหามุขกรรทำหาคำตอบมากลับมา เี่ยดมีศรัทธามีศรัทธาศรัทธาต้องมีแน่นอนเมื่อมีเกิดต้องมีไม่เกิดเมื่อไม่เจ็บต้องมีไม่เจ็บเมื่อไม่เจ็บต้องมีไม่เจ็บเมื่อไม่ตายต้องมีไม่ตายมองน่อยท่านเหมือนกันถ้าเป็นง่วงก็มีความไม่ง่วงท้ามันชิดมากก็มีความสงบท้ามันทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์ามันหลงก็มีความไม่หลง เราไม่จนเลยก็จีนเ า, าเนี่ยหาหาแนวร่วมหาพลังเสริมไม่จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเยอะแยะเลยเราอย่างที่เราสวดเมื่อก้น่ะเวลาความไม่เที่ยงเกิดขึ้นแทนที่เราจะมองเศร้าใจน้อยใจตามใจอะไรอาวรณ์ในความไม่เที่ยง ที่มันเกิดขึ้นกับเราปฏิภาสจากของรักของชอบใจปษาเิือ่อนได้ได้เช่นนั้นมันไม่อยู่กับเรา <c oughs> แล้วก็เอามาเป็นปัญญาไม่ใช่่ยวความไม่เที่ยงมาเป็นทุกข์มาเป็นตัวหลงเอามาเป็นปัญญาเมื่อใดบุคคลเห็นวยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง เมื่อ น, นั่นย่อมในได้ในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระ น, นิพพานอ้าวพระนิพพานอยู่ความไม่เที่ยงก็หนึ่งพระนิพพานอยู่ความเป็นทุกข์ว่หนึ่งพระนิพพานอยู่ความไม่ใช่ตัวตนก็หนึ่งเอาของที่มันไดดีมาเป็นของดีตอนทุกสุวรรณได้กล่าวว่าดีใสขึ้นแต่ของนี่มันเสียมาทํามาเป็นของดีเช่นใด กระดาษที่มันเป็นเศษเก็มาทําเป็นกระดาษใหม่อาหารมันที่มันบูดแล้วอากมาทำใหม่แต่ในค่าปลาที่เขาทอดมันไม่ดีขายไมออกออมาทอดใหมอ่ออไว้ขายอีกรีเซเตอรใหม่ ก, กม็มีปลามีปลาขายขึ้นมาขายออกเ้าก็ใช่สิ่งที่มันไม่ดีแหะมาเป็นการสอนตัวเรา มันมีอยู่ความเป็นทุกข์ก็ ม, มีอยู่ความไม่ใช่ตัวตนก็ ม, มีอยู่อย่าเป็นทุกข์ภูมิเป็นทุกข์อย่าเป็นทุกข์ภูมไม่ใช่ตัวตนอย่าเป็นทุกข์ภูมไม่เที่ยงเอามาเป็นพระนิพพานมันปูุงมันแต่งเรียกว่าสังขารสังขารคือการปรุงกันแต่ขยันขยันปรุงขยันหลงสังขารเารารานียน่ยอา้าวิสังขารคือหยุดมัน มาชี่ไปนู่นไปกรุงเทพไปบ้านนอดอายุนันมารู้อยู่เนี้ยเนี่ยเป็นเปลี่ยนสังขารเป็นวิสังขารสังขารนี่เป็นของของเหลวไหลวิสังขารคื่เป็นนิพพานเป็นทางไปสู่แห่งมรรคผลนิพพานหาได้ในในความไม่ดีทั้งหลายในสังขารเป็นวิสังขารธรรมะหรือปัญญาพระพุทธเจ้าตัดจะรู้รอบรู้อย่างนี้ เรียกว่าปัญญาพุธะไม่ใช่รอบรู้จากการคิดการคำนวณกันอะไรต่างๆสมองดีคิดได้อ น, นุอนคิดได้นี่เป็นวิทยาศาสตร์ทั่นก็เป็นปัญญาแบบส ม, มุทฐานสูตรสำเร็จของเขาแต่นี่เป็นปัญญาที่เกิดจากประสบการณ์จากชีวิตของเราล้วนๆจนเราเรียนรู้เรียนจบ หมดทุกอย่างกับชีวิตเราเอามาเป็นการศึกษาเอามาเป็นบทเรียนทั้งหมดเอามาเป็นของดี่เ า, าเป็นสิ่งที่ช่วยเราให้พ้นจากภาวะเก่ามือชี่มันหลงลู้ขึ้นมาพ้นจากความหลงมันทุกข์ขึ้นมาเปยนเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุ ก, นนทกข์ผมพ้นจากความเป็นทุกข์อย่างอาจารย์พุทธทาส ท่านสมัยเป็นผ้านนมบวดให ม, หม่มีเพื่อน <c oughs> เร อ, อ่ม เ, เป็นแข็งคอมันก็แห้งนะมันยังไม่ดียังใช่ไม่สะดวกยืดหลองก็เวลานี่แหะอาจารย์พุท ธ, ธาธนะเป็นผ้านนมก็มีเพื่อนเป็นลูกคนจีนลูกหลอด้วย สมัยเป็นหนุ่มคงจะหล่อมากๆนะแล้วพอเห็นลูกของท่านสมัยเป็นหนุ่มสวยใหม่เพื่อนก็มาเล่นมาถามมาไอ้ยท่านเด้อนางฟ้าไม่มาเยี่ยมบ้างหรือทำไมไม่คิดเจิดเจิดอาจารย์พุทธาตอบว่านางฟ้ามาช่วยเราทุกวันแปดหมืนสี่พันตาง แปดหมสี 84, ่ันล้อมเราอยู่อะไรแปดหนสี่พันางะนะฝนะ้าไตปีดกเวลาความไม่เที่ยงเกิดขึ้นอ้าวเป็นปัญญาแล้วนางฝ้ามาแล้วเป็นนางฝ้ามาแล้วเวลาใดที่กายมันเกิดขึ้นมันจะเป็นทุกข์เป็นสุขพวกกายกา ย, ยาก็จักรว ก, กายไม่ใช่จักรบุคคลตัวตนเราเขา นางพ่อมาช่วยเราแล้วเวทนามันเกิดขึ้นที่กายที่ใจเป็นสุขเป็นทุกข์เห็นว่าเวทนาก็จัดว่าเวทนาไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขานางพ้ามาช่วยแล้วเป็นอย่างนี้จริงๆนะพ่อเคยเคยเคยลําดับอย่างนี้เวลาหายใจไม่ออกอยู่โรงพยาบาลก็โอ้เนี่ย ก, ก, ากายก็สว่ามเสียไม่ใช่จัดบุคคล เอาไปมาขันห้าวางลงซะไม่หนักเนอ้อวางลงพงลงไม่ใช่ตัวใช่ ต, ตนเลยมันก็พ้นจากเวทนาจากทุกจากสุขจากเก็บจากปวดโอ้นางฟ้านางฟ้าใดหัวใจนางฟ้าใดพระธรรมเทพธิดาคือพยาบาลทั้งหลายเทพระบุตรคือนายแพทย์อา้า ไม่อดไม่อยากเลยสบายอ้ามันเนี่ยมันทำไมไม่ดีอย่างนี้ะเราไม่ต้องขอร้องขามาช่วยเราลูกพ่อแม่อุตส่าห์ส่งลูกสาวลูกชายไปเรียนแค่ย์เรียนหมอมาเอาสติปัญญามาช่วยเราต้มีแต่ของดีๆนอนก็คนดูคนดูแลนางฟ้าอาญารย์พุทธว่าแกดมันสีปัญจาง เป็นความจริงถ้าเราใช่ใเป็นนะไม่จนเลยไม่จนใจไม่จนใจเลยรสักอย่างไม่ต้องไปร้องไห้ไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปวิตกกั ง, ลงวลไม่ต้องไปเศร้าหมองไม่ต้องไปเคร่งเครียดอะไรอกคักอกคักไม่มีนางฟ้ามาช่วยเราทุกอย่างเลยอย่างบทเราสวดทรมวัตร้าทิธรมวัตเย็นมีแต่นางฟ้าทั้งนั้นเลย เราก็ช่วยโอกาสให้นางฟ้ามีโอกาสจะเป็นคนปิดประตูรู้อะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราไม่ปฏิเสธเห็นแจ้งนี่การปฏิบัติธรรมเห็นจริงต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเราดีอย่าไปเห็นนิมิตเห็นสีเห็นเสียงอ น, นันตนจะดิมิตไป เห็นนมือที่มันเคลื่อนไหวเห็นแบบตาในไม่ใช่เห็นแบบตาเนื้อตัวมือวางไว้บนเขารู้สึกตัวแต่แค่มือเคลืนรู้สึกตัวเห็นเห็นของจริงมันหลงไปเห็นมันหลงมันลู่ขึ้นมาเห็นมันลู่เปลี่ยนตัวหลงเป็นตัวลู่ได้ทุกข้างทุกข่าวนี่เี๋ยว่าเห็นคบเห็นการปฏิบัติธรรมไหนเป็นการคบเห็น เห็นถูกเห็นผิดก็เห็นจริงเห็นสุขเห็นทุกข์ก็เห็นจริงจริงเห็นไม่สุขไปทุกข์ก็เห็นจริงเลือกได้เลือกได้ไดชีวิตเราเยอะแยะไปหมดเลยได้บทเรียนได้อะไรต่างๆบางทีความหลงหลงแล้วหลงอีกมันก็รู้แล้วลู้อีกให้มันหลงลงไปหลงทีใด ก, ก็รู้ทีนั้นไม่เสียหายวันนี้ไม่ได้เลยเลยไม่ใช้ มันได้เห็นความหลงได้เห็นความรู้ใส่เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ได้สติมีสติไปเฉลยรู้จักใช้สติเป็นรู้จักใช้สติเป็นอย่าไปใช่เหตุใช่ผลเอาสติมาก่อนสติต้องมาถึงก่อนอย่าให้เหตุผลมาถึงก่อนอย่าให้ความรักความจักมาถึงก่อน ่าให้ความยินดียินไล่มาถึงก่อนให้สติมาก่อนสตินี่เป็นตัวมาก่อนเหมือนพ่อเหมือนแม่เมื่อลูกมีปัาพ่อแม่มาก่อน ว, อวัยโงวิร่งเข่ามาเลสติเหมือนพ่อเหมือนแม่ของกายของใจถ้าเรามีสติเหมือนอยู่บ้านพอ่อมีสติเหมือนอยู่บ้านแม่ขาดสติเหมือนคนไกลบ้านไม่อบ่น คนที่เคยมีสติเขาไม่เขาไม่หนีจากสติถ้าคนเคยหลงก็ชินด้านเลยเลยหลงอยู่เท่าไรเท่าไรก็ไม่เฉลี่ยหล่ะไม่เคยเปลี่ยนพหลงเป็นผงรูนี่เราขอให้เป็นนักกรรมฐานใช่ไหมเพื่อเราจะอยู่ในโลกเพื่อเราจะอยู่ในโลกโลกนี่ไม่ใช่ผู้ด้วยดอกกุหลา บ, หลบให้เราอยู่มีพวกมีน้ำมี ที่สูงที่ต่ำเป็นคืนให้เราอยู่ให้เราได้ฝึกฝนเลยเหมือนเขาเขียนไว้หนังสือหลวงพ่อเคยอ่านลูกเอิงจีเรี่ยงลูกเขาเขียนน่าสนใจทนะีแรกก็ทำรังเอาไม้ใหญ่ๆมาทำรังมาพาดนอนพาดนี้ แล้วก็เมื่อไม้ใหญ่มาฟาดแล้วก็เอาหนามตู้ตู้โอ้หามแหลมๆมาวางไว้เอาหนามตู้ตูมาขวางขึ้นมาอีกเอาใบตองมาวางลงเอาขนของตัวเองไปบางปุยเป็นชั้นสุดท้ายแล้วก็ไข่วางไข่ไข่ก็วางอยู่กับขนของตัวเองอเมื่อกบไข่กั้นออกลูกเป็นตัวขึ้นมา ถ้าพอไข่มันไม่เบตัวลูกน้อยเรอยู่ในขนของแม่แม่มันก็กบอุ่นทั้งขนอยู่ในรังอุ่นทั้งขนปีกของแม่เพื่อลูกนกมันกินเหยื่ออ้าปากเป็นก็จะกินเหยื่อเป็นหลวงพ่อเคยอยู่กับนกกระสืนมีลูกสี่ตัว แล้วแม่บินมาเกาะหลังมันยังไม่เบือนตานะมันไม่เือนตาแต่อะไว่าแม่มันมาเกาะหลังปับมันจะอ้าปากตัวไหนยิ่มไม่อ้าแม่มันจะพอนตัวที่มันอ้าปากโอ้มันรู้ใจไหมอ่าแล้วก็เป็นธรรมชาติของเขาทีนี้เมื่อแม่มันมาเกาะหลังมาไม่มีตัวไหนอ้าปากนอนหลับตาเฉยแม่มันก็กิน ถ้ามาก่อดรังแล้วถ้าลูกมันในรังเจตัวอ้าปากมันก็พ่นจนมันอีกลวงพ่อลองเอามือหลองพ่อไปแตะรังเลยครับมันหมูบเลยแม้อ้าปากเลยดีเอาไปแตะอีกมันก็ไม่หมูมันก็หมูบเลยแม้อ้าปากมันมีรหัสของมันนกนะอันชีวิตเรานี่ก็เหมือนกันบางทีธรรมชาติที่มันอยู่ในเรามันรู้ มันสอนได้มันรู้ได้มันเป็นธรรมชาติแะไรออนุกิณ์จีเนี่ยเหมือนกันพอมันลูกมันโตมันก็ขึ้นมาหน่อยหนึ่งพอม่ปีกว่ามันก็ข้าบขนมันออกเอาออกวอนไหยขนเหลือแต่ไบทองไบทองใบผ้ากับหนามตู้าบ ไปตองออกเหลือแต่หนามตัวตู้ตะกุดตะหะ <c oughs> ลูกน้องก็นอนไม่สะดวกจะไปโมบนอนอยู่ไม่ได้ไเจ็บตัว <c oughs> <c oughs> แล้วก็ตีเกียกต์ะกายทั้งลุกทั้งนอนทั้งลุกทั้งนอน หายวันมแม่มันก็ข้ามน้ําตุกให้เหลือแต่น้ําแหลมแหลมเราไปแบบหลุดนอกเมื่อไปอยู่กับน้ําแหลมแหลมมันก็ไม่นอนําขึ้นงอยปากงอยปากล่างเลยไม่นอนอยู่ในหลังขึ้นงอยปากหลัาง <c oughs> ชตาตัวเองทำให้าชาติถอนเขาพล่อยปากลังแล้วรู้จักกระโดดลง ก, กระโดดขึ้นขัดอิงไปบินไปเลยอันเราอันนี้ก็มากันจะไปหล ง, ลงหลความสุขจะไปหลงความทุกข์ความทุกข์กทำให้ลูกนกแข็งเดงควมสุขก็ทำให้ลูกนกไม่ปรอ ม, มันเห็นมากันสุขไม่เคยนอนขนขอแปะ ใครนอนใบตองใครนอนน้ำทูกใครนอนน้ำแหลมนัม่นก็พัฒนามันมันก็บิดไ ด, ได้ชีวิตของเราเนี่ยนะถ้ามันจะเป็นพระจริงๆไม่ต้องผ่านความทุกข์ความหลงมันพ้นภาวะเก่าวันพ้นจากความชั่วความลายอย่างแน่แนพ้นจากมันหาความทุกข์ทัหลายจนไม่มีไผ่ไม่มีไยัยท่านเรียกว่าอาเดียจอลียบุคคล อย่างนี้เราฝึกกันีมันมีใช่เราฝึกอยู่ตลอดกุไดไม่ใช่เขาฝึกท ง, งานตระรวจต้องไปอเอาไปจุดป่าหญ้าคาป่าแปกเราให้ทหารไปลอยปล่อยเสื้อลอยบกบนห ญ, ญ้าคาไปวิ่งไปทำอะไรฝึกเพื่อให้เชื่อมแขงเพื่อให้รู้จักอดทน ความชาตกลําบากไปนั่งเขาก็ฝึกไปนั่งนงะแต่ว่าเราเนี่ยฝึกกับชีวิตเราล้วนๆเลยมีทุกรดทุกชาติกายก็มีกายเป็นสุขกายเป็นทุกข์ก็มีเวทนาเป็นสุขทั้งใจทั้งกิจก็มีเป็นพบเป็นชาติอยู่กับ ก, าย ก, บกายกับใจก็มีน ะ, ะเราก็เห็น่ะ เราหลงไปเท่าไหร่แล้วก็รู้มีสติดูมันขึ้นมามันอยู่ตรงนั่นมือขี้มันขึ้นมาแล้วเห็นความหลงเห็นความรู้ต่างกันยังไงเห็นความสุขเห็นความทุกข์เห็นความไม่ทุกข์ความไม่สุขต่างกันยังไงมันก็ประสบ ก, กับตัวเองได้เห็นได้พกเห็นกับตัวเองมันก็ตัดจใจเองเกิดปัญญาเองแต่นี่ด้วย ศึกษาเ ร, กเรียกว่าทะลุหรือเรียกว่าปิญญาของชีวิตนะญาติปิญญากําหนดรู้โดยการรู้ชีวิตเราอะไรควรรู้ตีตะขณะปัญญาปัญญาในการแกะแกงแยกแย ก, แกออกเป็นรูปเป็นนามเป็นเวทนาอย่างไรความไม่เที่ย ง, ง, องอย่างไรควรเป็นตุ้งอย่างไรเวทนาจะกว่าเวทนา กายจะว่ากายกิจจกว่าจิตอย่างไรเป็นติอคติอันยาชั่นิ้ชั่นาญจนปหานาปริยาละได้ทุกข์จากอะไรที่มันเกิดขึ้นมาเอามาเป็นสิ่งที่สูงกว่าสึงนั้นได้ความสุขก็ทํใ า, ห า, าทให้เราเหนือความสุขความทุกข์ทำให้เราเหนือความทุกข์ ความหลงทใาหงทให้เราเหลือมความหลงความกดทาให้เราเหนื่อยความกดถ้าเราศึกษาได้บทเรียนจากเราเยอะแยะโดยเฉพาะการปฏิบัติเป็นการสอนตัวเองเท่านไม่มีใครสอนเราเท่ากับเราสอนตัวเราคนอื่นสอนเาจะไม่จริงแต่ตัวเราในสอนตัวเรานี่ไม่ต้องถามใครดูแจ้งมาเลพวกเราจริงสบายนะ ขอให้ลู้จึกตัวกับกายเคลื่อนไหวเป็นเบื้องต้นหัดลูกไปวิธีที่จะเราฝึกไปนไงอาศัยหลายๆอย่างก็ดีถ้าอยู่คนเดียวมันประมาทก็มาอยู่กับหมูก็อยู่กับอาจารย์วเทพเวรวนันก็ได้อาจารย์วเทพอาจารย์ติก๊กอาจารย์โนตอาจารย์ทรงศสียอาจารย์วัฒชยัย หลายตู้ที่อยู่ที่นี่หลายปีแล้วเป็นแม่เป็นแม่ไก่กกไข่ได้อย่างดีไปอยู่กับท่านถ้าไปอยู่พอที่จะได้ติสใจดีกว่าก็าออกมามาอยู่คนเดียวได้ถ้าอยู่คนเดียวไม่มีใครเป็นแบบมันก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เปรียบเทียบ พระพุทธเจ้าเคยสอนพอสงถ้าไปอยู่ในป่าอง์เดียวนะให้ดูเช้งดูควางเวลามันหล่หาจินมันไปยังไงดูไก่ป่าเวลามันหาจินมันทำยังไงดูแย่ดูจักแย่ไหยดูจัดไหมดูแย่ดูแย่เวลาหาจินทำไงงะโยง อย่าแหละม่ออกจาโกโูไมาหาจินทํางานะเวลาเจี้ยงมันออกหาจินมันทํางานไก่ป่ามันไปหาจินมันทํางาน้องพ่อก็อยู่กับเจี้ยงกับขวั่นคือนัเจี้ยงมันจะค่อยๆเดินไ็มองหน้ามองไปข้างหลังมองไปค่อยๆเดินไปมองหน้ามองหลังแล้วนะพ่อไปอยู่สหรัฐเนี่ยวัดจงเหยนนินวยอร์ก วังเขามากที่สุดเลยงพ่อก็ไปปะชนกับปะชนกับโนนโสนไปว่านัํนแขละโนมันถกย่อยลองลองดูซิเราจะส่้ได้ไหมคนไทยจะแข่งมันฝลังไหมก็มีเสื้อเขาจะต้องมีเสื้อนะถ้าที่เรืเสื้อออ กม้กมๆเขียนยาวลัด้อแล้วก็ใส่ผ้าอังสะใส่ผ้าจีวรแล้วก็มีหมวกกลมหัวมีสรงเท่ามีตรงมือไปนั่งอยู่ในปา่ายังไม่สว่างสงโนวันลงนั่งอยู่แต่ว่าตัวเราจีวรจีเดนเนี่ยพอนั่งไปประเดี๋ยวขา้าหมดโคมนไปเลยน่ า, านานั่ พอวันสว่างมาแม่กวงไม่ละกอ่อนเดินมาเท่าเจ้าหนึ่งมองมองมาทางหลพมองอยู่มันก็หันหน้าไปบอกวัวันอย่ามานะมันใกล้ว่ารูปมก็ยืนอยู่นู้ดไม่มาแม่กวงก็เดินมาเองมาดูลุงพ่อมันก็หันหน้าไปบอกวัววันูกมันก็ยืนอยู่นู้ดเออมันมีอะไรมันบอกกันรู้เรื่องไหมเปล่า พอวันมาใกล้ๆเลาพ่อเราจะโบกวดมจะโกหลงพอ่องพออ่อก็เอาเป่าจะถอยไปเป่าปากองี้ยมันเลยถอยไปพอมันถอยไปมไปหันหลังไปหาโดดชวนโดดไปไปีไป่นี่น่ชนไนพอสายมาสักหน่อยหลงพ่อยังไม่ได้ถึงเวลาฉันข้า พอยังไม่ตีละรังก็นั่งทำกันกะอยู่นั่นอันมี้ขอบสะใก่แล้วก็ม ja ีครูสะมีเก้าอี้เขาตั้งไว้ตามขอบสะสะน้ำอ่ะขาหมดเลยนกวิ่งได้ไม่เขาเป็นนัางแขงหมดก็สายมาก็ตีละรังไปฉันเช้าแม่กวงเดินมาวิววๆวววบลูกมา อของพ่อนั่งคันหลังให้ขอบสามเหลือข้างหลังมีฝั่งไปมีป่ามันมาเดินอยู่เนี่ยมาให้ลูกดูตรงจับจัยืนอยู่แล้วก็ลูกมก็นอนลงแม่มันก็หนีไปเลยไปกอสายว่าเอา้ามันเอาลูกมาปากเราเลยเดี๋ยวเดีย๋ยเป็นพลายเดี๋ยวเอเราจะไปฉันเนี่ยจะทำไง ลูกกวางจะนอนอยู่นี่คนเดียวนะบางทีหมาป่าก็มีนะหมาป่าหมาป่าก็มาเลยนะอะไรที่ไปฉันฉันแล้วก็มาอยู่เป็นเพื่อนมันพอมาอยู่เป็นเพื่อนมื่อมาบ่อะไรมามันก็มาต้มงมายืนลูกก็ลุกขึ้นจิตหนุมจิตหนุ่มเราพาลูกเนี่ยกวางเนี่บางทีมันก็พึ่งเราหรือเป่าก็ไม่ลูกเมืนกัเนี่ยมันก็ลูกเหมกัน ไก่ป่าเวลามันหากินมันก็ไม่ใช่เป็นทางมันจะเดินสนุกสนุกนะมันก็เดินยอน่องไปโน่นเดินย่องไปนี่ไม่เหยียบทางถ้าไก่ถ้าไก่โจ๊กด้วยจะไก่โจ๊กไก่จ่าเลยไก่จกเนี่ยขนย้อยหางมันจะไม่ขาวเป็นหางจะเข้เนี่ย ถ้าไก่จ่าหางมันจะย่อยหางมันย้อยผองพวกไก่จ่าเนี่ยจะไม่จะไม่ค่อยติดบ่วงแต่ไก่โจกเนี่ยชอบติดบ่วงเพราะเขาทำทางดิเขาเขาบ่วงไม่ถึอก็ถูกบ่วงเขาแต่ไก่จ่าจริงจงไม่ถูกบ่วงมันเดินโน่นเดินนี่เดินท่าเย่ yeah, มันเร่หาหายใจมันออกมาค้นรูมันมองรอบตัวมอง พอมเหนเหยื่อเด็มันี่ไม่ใช่ไม่ใช่มันวิ่งไปเลยนะมันออกมาดูเหยื่อมันก็นมองหน้ามองหลังวิ่งไปเิสองเท่าสองสองเ้าสเังไปถึงเหยื่อข้ามเหยื่อไร้ก็วิ่งเข้ามาอาเลยไม่ไม่ถกพิจทั้าหลายเธอเอาอย่างแงเธอเอาอย่างกวงป่าเธอเอาอย่างไก่ป่าไกลจ่าจังจ่าทหาร พวกนี้ไม่ติดหวงไม่ติดกับระเบิดเขาฝึกจะจะจงบวชเขาฝึกมาเขาเรียกว่าจา่าแต่ถ้าบวดมาแล้วไม่เรียกว่าจ่านะหมดแล้วก็เป็นจา่าเป็นพะระเจ้าพระจา่าก็ไม่ถูกนะแต่ไม่ใช่นะแต่เราเรียกว่าหลงวงพ่อจวนพ่อจา่าพ่อจ่าก็ไม่เป็นไรว่จาจ่าไม่ใช่ชื่อจ่าเขาเป็นทหารฉันจ่าครับหลวพ่อจ่าอ๋อนี่หลวงพ่อก็าพูดในฝงนนะ ตัวปฏิบัติต้องตัวไข่ตั ว, ต ว, ต ว, ต ว, ตวมันนะอันนี้พูดเป็นส่วนประกบเล็กน้อยนะก็วั่นใจว่าจะไม่ให้หลงทิศหลงทาง ม, มีปัญหาอะไรก็มีอาจารย์เย้ะแไปเลยไปถามท่านได้เวรวันรู้จักเวรวันไหมเวรวันคือสวนไผ่ป่าไผ่ลัฐที่วันสวนตาหนุ่มอัาพวันสวนมะม่วงมหาวันป่าใหญ่ เกี่ยวกับวันวันเนี่เป็นวัดพระพุทธเจ้าพวกเราก็มีเมรุวันมีสปาไผ่อาจารย์เทรเป็นเทกอยู่ที่นั้นมหาวันคือพูหลงรัฐที่วันสวนตาหนุ่มไม่มี์อำพวันสวนวง่วงไม่มีมีเป็นกันแต่ว่าไม่ไม่มากไมเลยไม่เรียกว่าอมพวั น, วนมีนิดหน่อยไม่มีลูกถ้จะตัดประเดก็ อาศัยร่วมมันไม่ต้องทันมันอเอาไว้อันนี้วัดเราก็กพอพอเลือกได้ถ้าไม่มีเพื่อนก็ไปอยู่ฌานโพเทกบางทีบางปีเนี่ยพระอยู่ในกติไม่สนุกดีเอาเต้นไปกลางร่วมหมดเลยมหาอิเวโรวันนอนในเต้นกันต่อดการศึก็สนุกแบบนึงนะเป็นการ อ, อะไรลูกขมูลออกลูกขมูลไม่นอนในกะตินอนต า, า, าม่าน้าเต้นเต้นอย่างดี ม, มีจานชงสินจานค้นซื้อมาไว้ตาเราฝนตกไม่เปียกไม่มีอันตรายมันก็เปผ้าปูมันคกขึ้นน้ำไหลมาก็เข้าไมได้ก็ผ้าก็ผ้ายางน้ำไม่เสื่อมก็ไปนอนได้ะบามงูสัตว์ในทิพก็เข้าไปได้ มีประตูหน้าต่างเหมือนแบบ น, นี้ประตูหน้าต่างก็มีมุ้งมีมรมผ่านได้สบายเลยเขาพูดให้ฟังไอ้วัเช้านี้หลวงพไม่จะมาทำวัดนะไม่อธิษฐานไม่ได้ยังไม่ได้อธิษฐานก็ูเลยอ่าจะชาวบ้านชาวที่นี่ขออธิษฐานที่เรื่องไรขอประกาศว่าจะาวานาที่นี่ทุกคนมาลงมือ เอามาจะเป็นอะวัยเสอาตโนกวะเนี้เนะโมตัตภะคะวะโตอะระหโตจั่งมาจั่งปุตตะนโมตัตตาภะคะวะโตอะระหะโตจั่มาจั่งปุตะนโมตัตตาภะคะวะโตอะระหโตั่งมาจั่งปุตตะเอามาจะเปอาวัยเสเอามันเตมาสังวังไปนี้ข้าพเจ้าขอรรมสาตวนใมาแต่วันนี้ แม่รั้งที่2อิมัจฉิมอวาเสยิังเตมาสังวัจฉิมิข้าเจ้าขอจังาสาท่วนแต่มาแต่วานนี้แม่รั้งที่ส อ, อิมัจฉิมิอาวาเสยวังเตมาสังวัจฉิมิข้าเจ้าขอจัาสาทวนแต่มาแตวานี้นาสาธพร้อาา ม, ม, อ ม, าามอกันนะเบสาอตอนีย